การปรุงแต่งกับความเป็นเองมีผู้กราบเรียนถามหลวงพ่อว่าเมื่อพิจารณาธาตุสี่แล้วพิจารณาปฏิกูลอสุภะจากนั้นจะพิจารณาขันห้าต่อไปใช่หรือไม่หลวงพ่อตอบว่าอันนี้เข้าใจผิดพิจารณาอะไรเอาอย่างนั้นแหละซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำไม่ใช่ว่า พอได้ขั้นนี้แล้วก้าวขึ้นขันนนขนข้นนั้นก้าวขึ้นขั้นนั้นอันนั้นมันเป็นการปรุงแต่งพิจารณาไปจนกว่ากระทั่งจิตมันเป็นเองโดยธรรมชาติของสมาธิสมาธิตามความเข้าใจมันมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเราสามารถฝึกจิตให้มันหยุดนิ่งได้อาศัยการฝึกจนคล่องชำนิชำนาญเราจะให้มันหยุดเมื่อไรก็ได้ เมื่อมันหยุดแล้วเราจะน้อมไปไหนก็ได้อันนี้มันยังไม่ใช่สมาธิเป็นแต่เพียงความสงบแก้ไขปัญหาจิตไม่ได้สมาธิพอเราพิจารณาไปหรือบริกรรมภาวนาไปพอมันเริ่มสงบแล้วมันจะวูบวูบไปรั้งไม่อยู่ในเมื่อมันสงบลงอย่างนั้น ทางไปมันมีอยู่สมทางทางหนึ่งถ้าจิตส่งกระแสออกนอกเกิดมโนภาพเรียกว่านิมิตอีกทางหนึ่งถ้ามันวิ่งเข้ามาข้างในมันจะมองเห็นอวัยวะภายในทั้งหมดในขณะจิตเดียวอีกทางหนึ่งถ้ามันรู้อยู่เฉพาะจิตอย่างเดียว มันจะเห็นอารมณ์ที่เกิดดับอยู่กับจิตอยู่ตลอดเวลาทางไปมีอยู่สามทางเท่านั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิต้องให้มันถึงความเป็นเองความเป็นเองเนี่ยหมายถึงว่าสัญญาเจตนาความตั้งใจจะให้จิตเป็นอย่างไรมันหายขาดไปหมดหลังจากนั้นจิตจะปฏิวัติไปสู่ภูมิฌานสมาบัติหรือจะเป็นฌานในอริยมรรค จิตจะปฏิวัติตัวไปเองถ้ามันนิ่งเอาแต่งเงียบลึกลงไปมันก็ไปชานสมาบัติแต่พอมันสงบลงไปนิดหน่อยแล้วความรู้ความคิดมันผุดขึ้นผุดขึ้นอันนี้มันเป็นสมาธิมีวิตกวิจารเป็นสมาธิในแนวทางอาริยามรรคอริยผลเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติ จิตจะสงบหรือไม่สงบไม่สำคัญขอให้เรามีสติเป็นตัวเด่นไม่ต้องไปเอาว่าขั้นนี้อุปจารสมาธิขั้นนี้อัปปนาสมาธิขั้นนี้ญาณขั้นนี้ฌานขั้นนี้เป็นอะไรอย่าไปนับมันป่วยการเอาให้มันเป็นก็แล้วกันทีนี้เมื่อจิตของเราผ่านไปอย่างไรอย่างไร ในขณะที่มันเป็นอยู่นี่มันไม่นับขั้นตอนหรอกมันไปตามคันลองของมันตามธรรมชาติของสมาธิถ้าเราอยากรู้ว่ามันผ่านขั้นไหนขั้นไหนออกจากสมาธิมาแล้วเรามานั่งนึกลำดับเราจึงจะรู้ว่าจิตของเราผ่านอะไรบ้างในขณะที่เป็นอยู่นี่มันไม่มีการนับขั้นนับตอนเช่อนอย่างพอภาวนาไปภาวนาไป พอเกิดเวทนาทุกขึ้นมาทุกหนอทุกหนอและจิตมันก็ถอนจากสมาธิพอเกิดความสุขอา้าวสุขหนอจิตก็ถอนจากสมาธิพอจะเกิดปีติปีติหนอจิตก็ถอนสมาธิเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมีอันเป็นไปปล่อยไปเลยมันจะไปอย่างไรช่างมัน เพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจสมมุติว่าอาจารย์ของเราท่านสอนว่าให้ภาวนาสัมมาอารหังนะอย่าไปคล้องใจสงสัยอาจารย์สั่งให้ภาวนาอย่างนี้เราจะภาวนาของเราอย่างนี้เรื่อยไปถ้าอุปชาสั่งว่าให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนะ่ะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเรื่อยไปจนกระทั่งสมาธิมันเกิดเองโดยธรรมชาติ